วันนี้ฟังเสียงสวดมนต์มันดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะไม่ค่อยเพราะเวลาสวดมนต์มันต้องตั้งสติดีๆสวดทำจิตให้สงบแล้วก็สวดออกมาถ้าเสียงไม่เข้ากันเราฟังออกว่าเสียงเรามันรู้สึกว่ามันจะแปลงออกไปจากเสียงอื่นไหมเราก็เบาเสียงเราลงมีเวลาสวดมนต์ต้องฟังด้วยเทวดาเขาก็จะได้ฟังแล้วจิตสงบ สวดมนต์แล้วจิตสงบไม่ใช่เทวดาตอนแรกสงบพวกบางเสียงสวดมนต์เฮ้ยอะไรเว้เนี่ยตายเลยพวกเราถอยๆอยยไปคนละทิศคนละทางเขานึกเขานึ้ว่าเกิดกุหลาบเนี่ยวันนี้บางเสียงสวดมนต์มันแปกๆจิตเนี่ยถ้าจิตสงบสวดมันก็สวดมาจากใจเรา ก็มีจังหวะด้วยนะมันคํานวณจังหวะของมันด้วยสติเนี่ยมันกั้นกลองเวลาสวดมนต์สมัยก่อนชอบมากเวลาสวดปาติโมกเข้าสมาธิแล้วสวดเลยสติมันดีอะ่ะมันสามารถสวดในสมาธิได้สวดจบถ้าอาจารย์แบรนด์นี่พูดเลยนะการสวดปาติโมเป็นการวัดคุณภาพของคนนัทพูดแค่นี้เราก็เข้าใจถ้าไม่ได้มาบอกว่าโอ้ยสวดดีนะอย่างนั้นห้ืไม่ ท่านพูดเอามาเปยๆของท่านเองการสวดปาฏิโมกเป็นการวัดคุณภาพของคนก็ไม่ได้หลงไปกับคำยกย่องสรรเสริญนะเพราะมันระวังตัวอยู่ตลอดไม่ยากคอยสังเกตดที่เขาจะพูดถึงเรายกเราหรือเปล่าจะลอยก็ยกหางนะยกหูด้วยชูหางด้วยเหมือนบัว เป็นแล้วมันจะตายเป็นพระนี่นะมันเหมือนเป็นตัวแทนของศาสนาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าของเรามันคิดถึงครั้งพุทธเจ้าทุกทีอ่ะเห็นพระเนี่ยเพราะว่าเวลาเราฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยสอนสาวกสอนภิกษุส่วนใหญ่เลยนะเขามล า, ายายนะั่นในปฏิปิโกคมลยายมลยากาศเอาไว้ด้วย บางครั้ง้พระสูตรชื่อว่าปุณณะสูตรพระสูตรที่พระองค์สอนในวันเพ็นวันเพ็นเขาก็บรรยายเอาไว้มีในป่าวันเพ็นเดือนไง่ไง้พระก็นั่งสงบนิ่งเวลาพระไปไหนเนี่ยจะปูอาสนะเอาไว้พอสมัยก่อนพระพุทธเจ้าไปไหนเนี่ยไปด้วยลิศเลยนะรวดเร็วมากแค่ มือที่เหยียดอยู่เนี่ยงอปุ๊บถึงเลยครัเพราะนั้นพระจะต้องปูอาสนะเตรียมมาไว้ไม่รู้พระองค์จะเสด็จไปเมื่อไหร่เนี่ยขนาดนั้นนะยุคสมัยที่คนจิตใจยังมีคุณธรรมสูงสงเนี่ยอุศลยังมากๆสิ่งดีงามในจิตนี่เยอะมากพระนั่งรอและสงบนิ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็มีพระองค์หนึ่งลุกขึ้นยืนพนมมือแล้วก็คาแต่พระองค์พูดจเจริญ ข้าพุทธเจ้าขอประทานวโรกาลขอถามปัญหาพุทธเจ้าบอกเ อ, อเธอจงนั่งลงเถิดแล้วก็ถามปัญหาได้เหมือนพ่อกับลูกเลยนะให้ถามได้เลยเนี่ยท่านก็ถามเรื่องอุปทานในขันตังห้าอะไรต่ออะไรนี่แหละที่มันยังไม่เข้าใจพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังจนเข้าใจแจ่มแจ้งพลพระนี่จึงเป็นเหมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าเลยล่ะ ถ้าใครสำนึกได้ว่าเนี่ยเราเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนของพระศาสนาแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งของเราเองได้ก่อนอมันเกิดมามันไม่ได้มีอะไรเกิดมาเดี๋ยวมันก็ตายกันหมดแล้วเนี่ยบางทีเห็นคนแก่มาวัดนี่แมมันคิดนะเอะคนแก่ก็จะรู้ตัวหรือเปล่านะว่ามันใกล้จะตายแล้วอะ่ะ <laughs> บางทีอยากถามอายุนะ คุณแก่ๆมาวัดทิ่ลเนี่บางทีนี้คําพูดเนี่ยมันจะพูดแค่ว่ามันใกล้จะตายแล้วนี่นะแต่ว่าในาใจมันใกล้จะตายหาอยู่แล้วแต่แต ห, หานี่มนไม่อยากพูดมันใกล้จะตายหาอยู่แล้วมันยังสานึกได้หรือเปล่านะหรือวันมาพร้อมกับความหลงรู้ว่าแก่อย่างเดียวยังไม่พอนะรู้ว่าใกล้จะตายอย่างเดียวไม่พอถ้ารู้ว่าใกล้จะตายแล้วก็ปฏิบัติซะสิส ก็กล้จะตายแล้วอ่ะตายแล้วร่างกายมันอยู่ไม่ได้แล้วมันมันมันสลายแล้วอ่ะจิตมันก็มันไม่อยู่แล้วโลกก็ว่างเปล่าแล้วเนี่ยแล้วมันจะมาติดอะไรในโลกถ้ามันยังติดอยู่ก็แสดงมันโง่ก็ดูความโง่ซะที่ว่าเออเรานี่มันยังโง่อยู่นะเนี่ยทํามันไปติดอะไรนี่ก็โง่นั่นก็โง่ทําันไม่ติดก็ไม่เป็นไรอ่ะเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องคนนั้นคนนี้ก็ เราก็มาตามกรรมของเราเขาก็มาตามกรรมของเขาเราไปตามกรรมของเราเขาไปตามกรรมของเขาแบบสบายๆอ่ะควรทำยังไงเก่ ก, กันและการก็ทำไปในฐานะที่กรรมมันได้ประมวลมาทำให้เรามาเกิดแล้วได้มาพบมาเจอะมาเจอกันให้มันได้เข้าใจชีวิตอ่ะให้มันถ่องแท้ให้มันได้หาทางออกถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าฉลาดขึ้นมาก็เห็นเห็นอะไร สัตว์ก็ตายไปเียสัตว์เดี๋ยะฉานเห็นง่ายๆกินอยู่ทุกวันเลยนะอะไรอร่อยอร่อยรู้จับดีซะด้วย <c oughs> ไม่รู้นะกำลังกิน ส, กสกักศพเขาก็ตายเราก็ตายเนี่ยสัตว์นั้นสัตว์นี้เดี๋ยวไก่บ้างเดี๋ยวหมูบ้างปลากุ้งนั่นก็แน่สัตว์มันบอกให้รู้ว่ามันก็เกิดตายเกิดตาย มนุษย์เกิดตายพวกกายทิพย์อ่กายละเอียดขนาดไหนก็เกิดตายอ่ะอบหญิงภูมิก็เกิดตายหมดอ่ะสัตว์นั้นโรกเปรตจุลกายสัตว์เดรัจฉานมันชัดชัดอยู่แล้วอ่ะถ้ามันรู้ว่ามันก็แค่นี้เองเหรอชีวิตอ่ะอย่างอยู่ในโลกใบนี้อ่เาเราเคยยึดเคยติดเคยค้องอะไรยกมาดูสิเปิดเผยให้จิตเราเห็นดูสิเราเคยหลบยึดอันนั้นยึดอันนี้แล้วเดี๋ยวนี้เราวางหรือยัง เพราะเราเข้าใจแล้วมันวางแล้วโอ้โหแต่ก่อนมันหลงเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ใครยังติดอยู่ก็โอ้จะได้รู้ว่าเนี่ยมันยังยึดอยู่ถ้าเข้าใจว่าตัวเองยึดเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรถ้ามีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสเนี่ยพพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเออใช่ได้ดีถือว่าดีอยู่แต่ถ้ามีกิเลสไม่รู้ว่ามีกิเลสเนี่ยเลวทันทีเลยนะเพราะมันจะไม่แก้ไขตัวเองเข้ากันง่ายๆเลยอะ่ะ ต้นไม้มันก็ตายเหมือนกันในวัดเนี่ยโอ้ตายเยอะต้นไม้ก็ต้นนั้นตายต้นนี้ตายบางต้นก็แก่ตายบางต้นก็อะไรไปอัดชอนชัยมันเหมือนคนน่ยมันก็มีโรคภัยไข้เจ็บของมันมแมลงบ้างอันนั้นอันนี้บ้างโรกของมันก็มีมันก็ตายอันไหนเป็นประโยชน์เราก็เอามาแต่ก่อนปฏิบัติยังใหม่ๆยังขั้นต้นๆนยู่ล่ะตอนนั้นมันกําลังที่จะพิจารณา น, าน้อมเข้ามาเพื่อให้ใจสงบ มองไปเห็นต้นไม้มันยืนต้นตายอยู่หน้ากุเตียนั่งมองแล้วก็น้อมมันนึกถึงตั้งแต่มันยังเล็กๆงอกไม่มีอะไรเลยนะมีน้ำแล้วก็มีอุณหภูมิเหมาะสมมีดินมีปุ๋ยมันก็งอกขึ้นมาเล็กนิดเดียวจากนั้นก็จะเริ่มเติบโตเมื่อมันได้อาหาร ได้แสงสว่างเพื่อที่จะปรุงอาหารของมันเองตามธรรมชาติมันจะเริ่มเติบโตขึ้นไปสุดท้ายมันก็แก่ลงไปแก่ลงไปแล้วก็ยืนต้นตายมันก็น้อมหมหาตัวเองตัวเองก็โอ้อดออกมายัางเล็กๆแบบอกเป็นทารลกช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องอาศัยโยมแม่คุณแม่ คอยดูคอยแล่จากนั้นก็ได้อาหารได้น้ำนมได้อาหารค่อยเจริญเติบโตขึ้นต่อมาก็เป็นวัยเด็กต่อมาวัยนักเรียนมาวัยหนุ่มวัยสาวเข้าโรงเรียนมัธยมขึ้นไปมัธยมต้นมัธยมปลายมหาวิทยาลัยเราก็แก่ลงไปแก่ลงไปใจมันก็ไม่อยากไปไหนมันก็อยู่ข้างัน อันนี้พิีรณาเพื่อให้จิตสงบตอนนั้นยังไม่ได้มีเป็นวิปัสสนงศนาอะไรเลยนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันยังไม่มีกําลังมันยังไม่ตั้งมัน่นมันแค่พิจารณาทําความเข้าใจรอบๆตัวเราเนี่ยพี่ณาไปโมดพีรณาเรื่องกฎหมายกับพี่นาโอ้โกฎหมายเขาสร้างขึ้นมาเขาสมมุติมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดกฎหมายก็มีไปหลงกฎหมายก็มี เอากฎหมายบังหน้ า, ากินก็มีมันว่าไปหมดล่ะคือมันไม่ได้มีอะไรสรุปแล้วสมมตุติสร้างเงื่อนไขขึ้นมาแล้วก็เอามาเป็นเงื่อนไขทำนู่นทำนี่ไปทุกอย่างสร้างขึ้นมาเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นมาก็มีแล้วจะเป็นหลงพวกนี้ไม่ได้กฎกติกากดอะไรต่ออะไรทำความเข้าใจไปหมูแล้วก็วาง อันนี้สมมุตินมนุษย์สมมุติขึ้นมาเพื่อใช้เพื่อสอยปริญญาต์ยังไม่ได้อ่านไม่ค่อยได้สนใจคล้ายๆก็ดูใบดูธรรมชาติแล้วก็น้อมเข้ามาสอนตัวเองจากนั้นก็น้อมมาถึงชีวิตเราชีวิตสรุปลงตรงที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นแก่นสารสาระกฎเกณฑ์อะไรต่ออะไรก็เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหา มันเข้าใจแล้วก็วางต่อมาเราก็ทําสติมากขึ้นมากขึ้นเอาจิตกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองทีนี้จิตเริ่มมีกําลังเริ่มจเจริญสติปัฏฐานสี่ที่แรกนี่เป็นแบบสติปัฏฐานสี่ก็แบบแบบกำลังต้องการกําลังอะ่ะมันยังไม่ได้เป็นโลเป็นภายอะไรนะพยายามคือสติมันสําคัญอะ่ะมันต้องพยายามตรงสติพอสติมีกําลังขึ้นมาทีนี้ โ อ, อ้จิตมันเริ่มมองเห็นความเกิดดับจิตจะพักจะอะไรช่างหัวมันปล่อยไปเรื่อยพยายามเจริญสติเองมากๆแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปต่อมามันก็ตั้งมั่นขึ้นมามันก็มีบางโอกาสที่มันไปพักเสียงอะไรมันก็ไม่สนใจไม่ได้ยินมันจดจ่ออยู่ข้างในค่อยรู้สึกตัวไม่ได้สนใจว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนาเลยนะคือมีเป้าหมายอย่างเดียวว่าจะออกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีเหล่าด้วย เพราะว่าไปอ่านหนังสือด้านพุทธทาสเนี่ยก่อนที่จะมาบวชเนี่ยท่านพุทธทาสเนี่ยท่านท่านหนังสือชอวัดมองด้านในเล่มเล็กๆพูดเรื่องปฏิบัติสุดท้ายลงสุญญาตาหมดเลยอนัตตาสุญญาตาท่านจะอธิบายพวกนี้จนเรามองเห็นชีวิตไม่ไม่มีอะไรออุดมคติของชีวิตในทางพุทธศาสนาเป้าหมายของชีวิตก็คือถึงพระนิพพานคือไม่มีอะไรมันยอมรับหมดเลย มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรชีวิตมันยอมรับแล้วแต่มันยังไม่เห็นก็มาปฏิบัติเพื่อให้เห็นมันไม่เอาอะไรเลยมันปล่อยหมดเพราะอะไรเกิดขึ้นพยายามไม่ยินดีไม่ยินร้ายปล่อยไม่ยินดีไม่ยินร้ายวางเรื่อยไปมีอะไรเกิดขึ้นก็เอาหลักเดิมนี่แหละไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็ไปของมันเองเรื่อยเรื่อยเรื่อยคือมันมันเห็นเป้าหมายแล้วนี่ก็มีอุปสรรคมาก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็พยายามอยู่งั้นแล่ะกรรมเวรของเรามันมี มันก็ต้องมีบ้างบางจังหวะเมื่อเรานั่งอยู่ดีๆบางทีนั่งอะไรบูบเข้ามายกไม้ยกมือก็ไม่ได้ส่งเสียงก็ไม่ได้ตัวแข็งทื่อเนี่ยก็แสดงว่าสัญนายเวรเรามาทันกันพอดีสงสัยเราเคยอั้มเขาบ้างวะเขามาอั้มคืนแล้วไปคล้ายๆผีอั้มไม่ได้มีอะไรเลยอะไรผ่านมาก็าให้มันผ่านไปจบไปวางใจง่ายๆ แล้วก็ไม่ต้องไปอยากที่แรกก็อยากนะอยากได้ความส ง, งบอยากรู้นุ่นรู้นี่อยากได้พระโสดาบันอ้ยปฏิบัติยากที่สุดเลยเครียดเหนื่อยแต่ดีอย่างหนึ่งว่ามันไม่ทิ้งความเพียรเหนื่อยเพราะมันเข้าใจผิดมันจะเอาถ้าใครปฏิบัติแล้วนะจิตข้างในมันต้องการจะเอานะไม่ว่าจะเอาอะไรก็ตามการปฏิบัติจะมีปัญหาทันทีเลยสภาวะธรรมก็จะรุนแรง อะไรแปลกๆ ก, ก็จะเกิดขึ้นเพราะจิตเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้จากความเห็นที่ผิดอันนั้น่ะเพราะมันไม่สามารถรู้ทันตัณหาของตัวเองตัณหามันเลยออกไปสร้างเรื่องสร้างราวได้แล้วเป็นจริงเป็นจังด้วยอุย้ยเวลามันหลงนี่ก็หลงอัศจรรย์เหมือนกันเป็นจริงเป็นจังจนเข้าใจเลยว่าคนหลงเป็นยังไง แต่อาศัยว่าเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะออกจากทุกข์คือไม่มีอะไรไม่เอาอะไรมันก็พยายามปล่อยวางเขาเองสุดท้ายนก็ไปเห็นมันเบื่อหน่ายโอ้ยจะไปเอาอะไรวางแล้วแต่มันพอมาถึงตรงนี้ปั๊บขาวนี้เดินหน้าได้แล้วเดินจงกรมภาวนากันแล้วแต่มันพอได้จังหวะมันก็เห็นอ ร, ริยสัจ ส, สี่เนี่ยเห็นพระไตรลักษณ์เห็นมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ช่างแต่มันเบา มันก็มีความเข้าใจเราเนี่ยมันเชื่อกฎพระไตรลักษณ์มันเป็นกฎของธรรมชาติกฎพระไตรลักษณ์อา น, นิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเข้าใจพอมีสภาวธรรมขึ้นมาแล้วพอมันเป็นเองขึ้นมานี่โอ้โหจิตมันมันพูดขึ้นมาเลยโอ้นี่เองอนัตตาเห็นครั้งแรกเลยนะอนัตตาเนี่ยจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลืมเลยตอนที่เห็นนะเห็นเป็นตอนคารวะา ด, ด้วยเพราะว่ามันทําความเข้าใจแต่เป็นคารวะา พอ ม, มาบวชแล้วก็ปฏิบัติต่อไปต่อไปอัานไหนไม่เข้าใจก็เอามาทำความเข้าใจเข้าใจแล้วทีนี้ปฏิบัติให้มันเห็นจริงทีนี้มันต้องการกำลังนี่แหละกำลังสตินี่สำคัญกำลังสติกำลังสมาธิถ้าไม่เห็นแล้วมันมันยึดไม่ได้เลยอ่ะคือไม่ใช่เราจริงๆเลยแล้วในสมาธินี่ถ้ามันมันมันทะลุออกไปถึงโอ้มันไม่มีอะไรอ่ะมันเห็นแจ้งชัด ตอนแรกก็อาศัยสอนยอมรับความจริงอะไรพอสอนแล้วจิตของเรามันสลดมันปล่อยวางได้เอาก่อนเอาเลยไม่เป็นไรไม่ต้องมีรูปแบบอะไรก็ได้เห็นซากสัตว์ซากอะไรน้อมเข้ามาได้หมดอะ่ะขอให้จิตเราเนี่ยมันปลงมันปล่อยมันวางทามันมีเป้าหมายที่แน่นอนแน่ชัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องเพียงทีนี้ ส่วนคนที่กําลังสร้างบา ร, รมีก็สร้างไปไม่ต้องเร่งรีบอะไรก็ได้เพราะว่ามันเร่งรีบมากไม่ได้คนที่กําลังสร้างบา ร, รมีพอเอาจริงเอาจังบั๊บมันจะมีสิ่งบีบคั้นคือไม่ถึงเวลาก็ต้องทําความดีไปเสียสละไปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นบุญอะไรมันทําให้จิตใจเราเบิก บ, บานอิ่มเอิบทําลงไปทําความดีเรื่อยไปแต่ก็ไม่ทิ้งความเพียรนะก็ต้องเพียรอยู่นั่นแหละ พยายามปฏิบัติเดินตามทางของพระพุทธเจ้าเรื่อยไปคนที่สร้างบารมีออย่างน้อยชีวิตของเราจากนี้ไปมันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนี่มั่นใจแล้วแล้วก็จเจริญบนเส้นทางของพระพุทธเจ้าด้วยนี่มันก็เลยน่าภูมิใจส่วนคนปฏิบัตินี่แม่ถ้าทำความเข้าใจตั้งแต่ทีแรกมันขันห้าเนี่ยไม่ได้มีอะไรเอาง่าย ถ้าเราตายลงไปอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเคยยึดเคยหวงเคยแหนเคยอะไรอาวอนมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้ามันคิดออกมันก็ต้องสลดสังเวชถ้าคิดไม่ออกมันก็ต้องเพียรที่จะสอนจิตให้มันตระหนักรู้ให้ได้เพราะนี่มันเป็นความจริงไม่เชื่อไม่ได้ก็ต้องเอาจนมันเชื่อมันเชื่อแล้วก็ต้องให้มันเห็น เห็นวมันจะปล่อยวางมันไม่มีอะไรเป็นเราหมดล่ะก็ร่างกายมันตายจริงๆด้วยมีใครไม่ตายบ้างเนี่ยถ้าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้ววทนามันมามันจะเป็นเราได้ยังไงเจ็บขนาดไหนมันก็เป็นของเราไม่ได้เพราะมันอยู่ที่ร่างกายโน้นก็จิตให้มันเห็นสิเจ็บเจ็บไปเราสอนจิตเราเอาให้มันเห็นได้ได้ให้มันเชื่อให้ได้ให้มันปล่อยวางให้ได้ ถ้าปล่อยวางได้เมื่อไหร่อย่างเงี้ยโอ้เด็กขาดเลยอะเหมือนมันจับไฟมันร้อนมันปล่อยพึ่ดโอ้คราวนี้มันจะไปเอาอีกไม่เอาเลยเหมือนเด็กมันอยากเล่นไฟมันเห็นไฟพิพับพิพับมันสวยงามมันขยับจะไปจับอยู่เรื่อยผู้ใหญ่ก็ไปเอามันออกมาเดียมก็ไปอีกแล้วผู้ใหญ่ไปเอาออกมาเผลอนิเดียมไปจับพับมันปล่อยวันหลังมันไม่ไปเอาอีกจิตก็เหมือนกันถ้าว่ามันได้ปล่อย ชนิดที่มันเห็นความจริงอ่ะปล่อยวางเหมือนมันจับไฟมันร้อนแล้วมันปล่อยอไอ้เวทนานี่มันให้ความชัดเจนมากเพราะนั้นเวทนาเนี่ยมันจริงชัดเจนแต่ว่าคนที่จะสู้ต้องเข้มแข็งต้องอดทนใจต้องเด็ดเดี่ยวเจ็บได้เจ็บไปเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวว่าเวทนาไม่ใช่ของเราแล้วทำไมมันมาเจ็บที่จิตทำไมเรายินงทนไม่ได้นั่น ต, ตัวอุปทาน นี่จะเห็นเลยอุปทานเราไปยึดยังไงสู้ไปเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นอุปทานขาดผึงเลยอุปทานมื่ไปยึดมันยึดมันถือทีนี้เห็นเห็นเวลาเห็นมันจะเห็นมันไม่ใช่ของเราเห็นมันเกิดดับอะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางสถานเดียวยึดไม่ได้ช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กำลังจิตดูกายก็ตามก็เพื่อนี่แหละลงสู่วาฏจัละ เวทณาก็ลงสู่ว่าแต่ักดูจิตก็เหมือนกันมันต้องไปที่เดียวกันหมดแต่นี้มันก็มีหลายขั้นหลายระดับขึ้นอยู่กับอินทรีย์ก็ต้องพยายามให้สตินี่แหละถ้าสติดีมันคอยเห็นของมันเองอารมณ์อะไรจะเข้ามามันกั้นไว้เลยนะสติเนี่ยมันไม่เข้ามาจิตจะออกไปไม่ออกไปกัน้นตึบเป็นธรรมชาติเลยเาเรียกอินทรีย์มันเริ่มแก่กล้า ตอนแรกๆนี่โอ้ต้องอดทนพยายามจเจริญสติมากๆวิธีไหนทำให้สติมันต่อเนื่องทาเลยไม่ว่าแบบไหนสุดท้ายก็มาที่สติปัฏฐานสีพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติศีลานุสติและลึกสิงศีนก็ได้เราระวังรักษาศีลมีข้อวัดปฏิบัติน้อมเข้ามาเคยนะบางทีมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ ปฏิบัติบางทีมันก็มีอะไรแทรกแซงเข้ามาบั่นทอนอยู่ดีๆก็นึกเหมือนเราไม่มีค่าอะไรขึ้นมานะแล้วก็นึกอะไรไม่ออกโดยเหมือนกับเราไปวันๆหนึ่งอะไรอย่างนั้นอะ่ะมันนึกขึ้นมานะก็ทนดูไปทนดูไปไม่กี่วันหรอกเอ๊เราก็มีข้อวัดปฏิบัติขนาดนี้มันว่าถูกต้องตามธรรมตามวินัยขนาดนี้แล้วมันจะไม่ได้เรื่องได้เรายัางไง โอ้ดับพึบไปเลยโอ้บางทีก็ช่งใช้ปัญญาเนะีบางทีมันก็เหมือนกับอะไรยามาทดสอบอะไรอย่างนั้นะเพราะนั้นเราจึงเน้นให้มีรร ม, มีวินัยอยู่อย่างเข้มแข็งแข็งแรงเพราะมันมีอะไรในธรรมชาติมันคอยทดสอบคนปฏิบัติถ้าช่วงไหนจิตเรามีกำลังมันก็ไม่เป็นไรนะจิตเข้มแข็งปล่อยวางได้ไม่เป็นไรช่วงไหนที่จิตมัน กระทบอารมณ์มันอ่อนแอมันลุ่มเลยนะแต่ถ้าข้อวัดปฏิบัติมันถูกต้องมันดีงามอย่างเงี้ยมันรักษาตัวมันได้ตัวจิตเนี่ยมันยกขึ้นมาได้โอตัวจิตนี่มันยิ่งหมูคิดแล้วก็ดับคิดแล้วก็ดับมันอยากได้อะไรมันก็เป็นแค่ความคิดถ้าสติทันเดี๋ยวมันก็ดับแล้วเอาแล้วทําไมเราทนไม่ค่อยไหวมันอยากนู่นอยากนี่แล้วมันใจจะขาดนั่นแหละตัวอุปทานมันรุนแรง มันยึดมันถือรุนแรงต้องได้อันนี้ได้มาแล้วฉันจะเป็นสุขทําไม่ได้ฉันจะตายอุปทานตัณหาอุปทานหมายว่าตัณหาตัณหาบ่อยๆก็เป็นอุปทานยึดตามตัณหาไม่ได้มีตัวตนอะไรเป็นความคิดแล้วเลยไปหลงว่าเราไม่ได้จะตายมันคิดเอานี่มันหลอกลวงขนาดนี้นะแล้วเราก็ไปเชื่อมันอยู่อย่างนั้นแหละ มันก็บีบคั้นเราเราก็เป็นาธาตุมันอยู่อย่างนั้นต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ไม่ได้ละทุกเนี่ยอุปทานก็มาจากไหนจากตัณหาตัณหาบ่อยๆหลายๆครั้งเข้ามันก็มีกําลังมากก็เป็นอุปทานยึดติดข้องและจากอุปทานทําอะไรก็ทำกรรมทีนี้กรรมมาพบนั่นหละหาที่เกิดแล้วถ้าทํากรรมเมื่อไหร่ก็ต้องไปเกิดกรรมมพบ คิดหาวิธีการ เ, าเริ่มหนักขึ้นนะแรงขึ้นจะลงมือทำแล้วจิตก็รุงแต่งอุปติภพนี่เป็นชาติแล้วนั่นเน่เกิดในจิตล่ะเนี่ยการเกิดนี่มันดูง่ายๆเลดูจิตตัวเองก็เห็นแล้วถ้าใครเศร้าหมองบ่อยๆนั่นแหละมันจะไปเกิดที่เศร้าหมองอะ่ะมันคุนเครื่องบ่อยๆโกรธบ้างคุนเครื่องบ้างพยาบาทบ้างคิดเบียดเบียนบ้าง นั่นไปสันนรกเนี่ยมันร้อนต้องไปหาที่ร้อนร้อนหาที่รับแคบหาที่ที่จะทำให้ตัวเองถูกทรมานเป็นทุกข์เดือดร้อนจิตมันสร้างแล้วจิตมันก็จะไปตามกรรมของมันกรรมก็คือสิ่งที่มันคิดนึกปรุงขึ้นมาในจิตเป็นพวกสังขารแล้วมันก็ยึดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเกิดเราขึ้นมาแล้ว เลไปเกิดเพื่อที่จะมีร่างกายรองรับสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมาในจิตปรุงแต่งดีทำดีเป็นเราทำมันยึดมันก็เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเกิดเมื่อไหร่นั่นแหละที่มาของทุกข์หลักชาติก็มีชลามรณะโศกปริเทวะทุกขาโทมนัสัพยาสะเนี่ยุูเทยาวพูดเอาไว้มันจริงหมดเลยนะอยู่ในจิตหมดละพวกเนี้ย อาชาติปัจจุบันเนี่ยความทุกข์เนี่ยเวลาเราเห็นมันมันจะเหมือนสโลโมชั่นอะพอจิตมันละเอียดมันจึงเข้าไปเห็นเคนไม่ละเอียดไม่มีทางเห็นหรอกคนธรรมดาทั่วไปไม่เห็นแม้กระทั่งความคิดวิ่งตามอยู่อย่างนั้นแหะมันเป็นเราหมดเลยไม่รู้เลยว่ามันนั่นคือความคิดเพบางคนพอเริ่มมาปฏิบัติเขาปฏิบัติไม่ได้เห็นแต่ความคิดเขา่า เราบอกมันถูกแล้วมันต้องเห็นว่าจิตเนี่ยมันคิดนันมันถูกโอ้นึกว่ามันจะนิ่งเลยว่าจะบังคับให้มันนิ่งเลยตอนก่อนมาข้าบูชาก็มีสามีภรรยามาสามีมาถามถามว่าผมนั่งแล้วทำไมมันมีแต่ความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาอ๋ออันนี้เพราะาเราอยากสงบใช่ไหมอยากให้มันนิ่งใช่ไหมใช่ครับผมพยายามต่อสู้นะครับผมไม่ได้แพ้นะครับภรรยาผมนี่บอกว่า ต้องทํำนิ่งๆเอากระัญญาเขาทําได้เนี่ยครับัญญาเขาเขานิ่งเขาก็มาสอนให้ผมปฏิบัติทําให้จิตนิ่งๆก็ไปอยากนิ่งแล้วอยากสงบแล้วมันไม่ได้หรอกต้องทําไปเลยบริกรรมก็บริกรรมไปมันสงบก็เรื่องของมันไม่สงบก็เรื่องของมันขอให้ได้ทําขอให้ได้ปฏิบัติถ้ามันคิดก็รู้ว่าธรรมชาติจิตมันเป็นอย่างนี้มันต้องคิดนึกปรุงแต่งไปเป็นธรรมดาอย่าไปบังคับมัน ปล่อยเลยแล้วให้ค่อยๆทําไปขอให้ได้ปฏิบัติไปครับผมเข้าใจแล้วครับแล้วก็สอนภริยาด้วยอย่าไปเคี่ยวเข็นสามีให้ปล่อยให้วางนะให้นิ่งๆไม่เอามาคิดอะไรอย่างนั้นไม่ต้องไปพูดให้เขาปฏิบัติไปตามลําดับภริยาเขาก็หอนเลาะเคี่ยวเข็น <laughs> เคี่ยวเข็นสามีเขาเขาอยากให้สามีสงบอยากไปแล้วมันไม่ได้หรอกทำสบายๆไม่ต้องอยาก แต่ความเข้าใจมันต้องมีว่าสุดท้ายชีวิตเราไม่มีอะไรมันต้องตายจากโลกนี้ไปแน่ๆมันต้องเข้าใจด้วยจิตเนี่ยมันก็แค่นามาทํำคิดอะไรเดี๋ยวก็ดับมันต้องการอะไรมันก็คิดขึ้นมาดับทุกข์ก็คิดขึ้นมาแล้วก็ดับถ้าเราปล่อยวางมันได้มันก็ดับแต่ถ้าปล่อยวางไม่ได้เราก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์นั้นเพราะมีอุปทาน ย, ยึดเอาไว้ก็ปูงแต่งเรื่อยไปก็ทุกข์เรื่อยไปซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันก็มีทุกข์ทางกายเจ็บปวดมืนชา นิพพานเจ้าก็สอนให้ดูตามดูเวทนาเวทนาทางกายมชัดเจนเวทนาทางจิตพวกนี้ล้วนแล้วแต่ไม่มีตัวตนจริงมันเจ็บขึ้นมาพอเราเลิกปับ๊บลุกขึ้นมาก็หายแล้วเราขยับนิดเดียวก็หายแล้วแต่ถ้าเราอยากจะดูอยากศึกษาสู้ให้จิตมีกำลังได้ต่อสู้ได้ต่อสู้นีจิตมันจะสร้างคุณสมบัติของมันขึ้นมานะสร้างคุณภาพของมันขึ้นมา ไม่อย่ามันอยู่เฉยๆนะได้สู้นี่สติมันก็ตั้งถ้าสู้ก็สติก็มีกําลังขึ้นมาสติอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ตรงนั้นทีนี้บางทีเวทนามันเจ็บอะมันมันเลยเหมือนไม่มีสมาธิอะมันต้องอาศัยทําจิตให้มันเป็นสมาธิซะก่อนอะเอาจิตเข้ามาทําสบายๆไปก่อนจิตต้องมีกําลังพอสมควรมันถึงจะมาดูเวทนาได้ถ้ากําลังจิตไม่พอเนี่ย มันยังดูมากไม่ได้มันจะค่อยขยับค่อยขยับค่อยขยับได้เหมือนกันแต่ค่อยขยับค่อยขยับไม่เหมือนคนที่เขามีสมาธิแล้วมีสมาธิแล้วนี่กว่ามันจะเจ็บเมืนานเหมือนกันเพราะมีสมาธิรองรับอยู่ใน่อนมีโยมคนหนึ่งแกอายุตอนนั้น80ดสิบกว่าแล้วแกขึ้นมาลูกสาวแกพามาปฏิบัติที่เนี่สมัยที่เรายังค่อยไม่ค่อยมีใครอะอยู่กับพระสององค์ แล้วก็มีแม่ชียอยู่สองคนก็มีโยมบ้างแกขึ้นมาเป็นคนใจดีมีเมตตาแต่ไม่เคยปฏิบัติหรอกเวลาพูดธรร ม, มะโอ้แกเบิกบ้านฟังธรรมเจ็ดแกสงบเป็นคนจีนอาหารการกินแต่ก่อนก็ลำบากด้วยนะก็มัธยัติหน่อยอ่ะ อาหารก็เทาพออยู่กันได้แล้วเราก็ติดนิสัยประหยัดด้วยสมัยก่อนเพราะมันเคยฝึกมาไม่ค่อยได้ปล่อยเหมือนสมัยเนี้ยคุมเรื่องอาหารส่วมก็ส่วมธรรมดาตามโตีอยู่บ้านแกต้องนั่งชักโคกวันนี้แกก็นั่งลาบกับไอ้พื้นนั่นแหละแกตั้งใจปฏิบัติอยู่15วันแกได้สมาธิเกิดศรัทธากลับลงใบแล้วก็ปฏิบัติ โอ้เอาใจใส่มากเลยนะเวลาเราเข้ากรุงเทพนี่แกจะมันดักรอที่สนามบินมาส่งอารมณ์มาเล่าที่แกปฏิบัติให้ฟังแล้วก็ขอฟังธรรมยสนาที30สนาทีก่อนที่เราจะเดินทางลูกพามาบางทีเราไปพักที่ไหนแกก็ตามไปไปเล่าสภาวธรรมให้ฟังแล้วก็ฟังธรรมเดี๋ยวก็เอาไปปฏิบัติเนี่ยคนแก่ บางครั้งวันเกิดวันอะไรแข่กันนิมนต์ทำบุญเอาญาติรวมญาติมานิมนต์ไปแสดงธรรมให้ฟังทำต่อเนื่องอสภาวธรรมเขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเพราะเขาตั้งใจลูกสาวลูกชายปฏิบัติธรมหมดก็จัดสิ่งแวดล้อมให้พ่อได้ปฏิบัติตอนแรกก็ถามทั่วๆไปสภาวธรรมทั่วๆไปต่อมานี่เริ่มเข้าหาจิต พูดเรื่องจิตเรื่องอะไรต่ออะไรอ่ะพูดเรื่องขันห้าขึ้นมาแล้วพูดเรื่องความตายหลายปีเขาหลายปีเขาพูดแต่เรื่องจิตอย่างเดียวทีนี้เปลี่ยนไปหมดเลยจิตมีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องของจิตหมดคือมันเข้าข้างในแล้วมันวางข้างนอกหมดแล้วเก็แต่จิตลุนล้ว น, วนมันไม่เอาแล้วพอมันปล่อยวางร่างกายได้พวกลูกพวกกร ม, มาคุณอารมณ์ทั้งหลายนี่มันจะวางไปด้วยกัน ตอนแรมันยึดร่างกายมันก็จะเอามาให้บำรุงบำเรอปนเปอรร่างกายจะเอานู่นเอานี่วางได้ก็ไม่ใช่วางในสมาธิอย่างเดียวนะของเรานี่วางได้แล้วก็ต้องมาฝึกผ่อนอาหารโอดอาหารให้มันเห็นร่างกายชัดๆว่ามันยังมีไหมเอาจิตให้มันยอมรับให้ได้ว่าเป็นแค่ร่างกายจริงๆหนุ่นทั้งสภาวธรรมที่เห็นปล่อยวางได้ด้วย แล้วก็เวลากระทบอารมณ์เวลาในชีวิตจริงด้วยตรวจสอบกันอย่างนั้นนะพฤติกรรมด้วยให้มันลองรับว่าคุณธรรมที่เราได้มาเนี่ยมันจริงไหมมันปล่อยวางร่างกายได้จริงไหมมันยังหวงยังแหนอยู่ไหมสู้กับความอยากไปด้วยนี่พวกตัณหาเนี่ยพวกราคาเนี่ยราคาที่ละเอียดไงอ่ารูปราคาอปราคาเนี่ย วางกายได้คือระดับป้านาคามีสนิทเลยนะสนิทแล้วต้องมาดูพฤติกรรมด้วยมันทำอะไรเพื่อร่างกายไหมมาผลอาหารมาอดอาหารมาทำอะไรของมันจนมันหมดความหมายเวทนาก็เหมือนกันเราสู้จนมีเวทนาจิตมันก็ยังทำงานได้ไม่สนบางทีดูก็ดูอยู่ดูจาดจดดูอยู่พอมันเจ็บมันเจ็บจิตไม่ไปไหน แต่ชอบเวทนาเพราะตอนนั้นเราง่วงเพราะเวทนา ม, ามันแหมความง่วงหายไปเลยเพอปล่อยเวทนาได้จริงจริงจริงจังนี่พินาเนี่ยธาตขันนี่เหมือนกับมันเห็นต่อหน้าต่อตาใะ่ไหมอย่างนั้นมันชัดเจนอะธาตุดินธาต้น้ําธาตุลมธาตุไฟตอนแรกพินาธรรมดาจิตเป็นสมาธิแล้วก็ดูกายดูเวทนาเห็นปัตตัยหลักเห็นนิดนิดหน่อยหน่อยว่าวัาแบแวมแวมโอ้ไม่ไปไม่มาเลยนะ บทเหมือนจะไปถอยไปถอยมาโอ้โหโพดิซัสกับเวทนาแมมมันถึงใจนี่มันต้องอย่างนี้คนละระดับเลยถึงไม่สงสัยว่าพระสุวรรบันเป็นยังไงสกทาคามีอนนาคามีพ้นหมดความจําเป็นมันก็วางเองนะมันก็ไม่จาเป็นต้องไปเอามันเอาช่วงแรกๆมันต้องการให้จิตมีกําลังแล้วก็ได้เห็นขันห้าชัดเจน คนทางของพุทธเจ้าต้องเห็นชัดพุทธเจ้าเนี่ยย้ำเลยเราสอนเรื่องการสิ้นอาสวะแก่ผู้รู้ผู้เห็นต้องรู้เห็นด้วยนะเราจะไม่สอนการสิ้นอาสวะแก่ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นรู้เห็นในที่นี้ก็คือ น, นี่แหละเห็นด้วยจิตเห็นเวลาประพฤติปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานทั้งสี่หรือว่าอาริยมรรคมีองค์แปดประมาณนั้นเดียวกันหมดละ ธรรมะเนี่ยเวลาไหนาจิตมันอ่อนแอรประกาศเลยข้าพระเจ้าขอเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ า, าศาสดาของข้าพระเจ้าเข้มแข็งไม่มีคําว่าอ่อนแอข้าพระเจ้าจะพยายามปฏิบัติตามพระองค์ตลอดไปอู้มันปุ๊บขึ้นมาเลยนะมันก็ต้องสอนจิตตัวเองได้ด้วยนะทําอ่อนแออ้อยสรอยไม่ได้ โอ้พระพุทธเจ้าท่านจริงจังนี่นั้นเราก็จะเป็นสาวกพระพุทธเจ้าด้วยเป็นศาสดาเข้มแข็งจริงจังให้สาวกอะทาอ่อนแอไม่ได้เพรามต้องตื่นนั่งสะพังงกไม่ได้ยกขึ้นมายกจิตมาเอามามองดูขันห้าไม่มีอะไรดูดูกาย ไ, ได้ดูลมเข้าลมออกได้ดูอริยบทรู้มันนั่งอยู่ยังไงได้ ดูอาการ32สองได้ดูส่วนเล็กๆน้อยๆมันมีอะไรขึ้นมาดูลงไปเนื้มันตื่นอาจจะดูเป็นซักศพอะไรก็ว่าไปมันก็อยู่ในกายหมดพระเจ้าก็สอนให้ตามดูกายกายานุปราชิปทานกายานุปสีวิหารติตามดูกายในกายหนึ่งๆอาตาปีสัมปชานุสติมามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะ วินัยโลเกวิชาโทมันสังละความยินดียินไลในโลกนิเสียได้ตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมเหมือนกันหลักเดียวกันคือมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินไลในโลกนิเสียได้สรุปแล้วก็คือมาดูที่ใจไม่ยินดีไม่ยินรไลเรามีหน้าที่ปฏิบัติผลของการปฏิบัติแล้วแต่สภาวธรรมนี่ก็เข้าหาธรรมของพระเจ้าโดยตรงเลยขอแน่ไม่ได้าศาสดาของเราเข้มแข็งเรา ประกาศตัวแล้วว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเวลาพระเจ้าปฏิบัติก็มีปัญหาเหมือนกันอุปสรรคเยอะแยะลองคิดดูปฏิบัติมีอุปทาคอยู่ดีๆวันดีคือดีอุปทานยิ่งไปแบบไม่เดียวแหล่แบบโอ๊ยทานมากๆแล้วมาสวยกยาหารมามีกิเลสแล้วมาดื่มมากินอาหารแล้ว เหมือนคนทั่วไปแล้วมันจะพ้นได้ยังไงเพราะเขาเชื่อ ม, มันต้องพ้นด้วยการทรมานหนีแต่เป็นคนทั่วไปโอ้ยเขาทิ้งเราแล้วเนะี่ยเคยใกล้ชิดสนิทสนมอุปทากุปธรรมแต่พระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นนะมุ่งอย่างเดียวเลยอย่างอื่นทดลองหมดแล้วเหลือทางเดียวจิตต้องเป็นสมาธินานนึกถึงแล้วตอนเราทําสมาธิได้สมาธิครั้งแรก จิตเข้าไปยังไงโอ้ต้องวิธีนี้ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิมีความสุขมีความสบายแล้วในความสบายนั้นต้องเอามาดูพิจารณาเอามาดูให้มันตื่นรู้แต่ผู้เจ้าก็อัธยาศัยของท่านเนี่ยปฐมยามวันที่จะตัดสรู้ก็เห็นแล้วลึกชาติได้ว่าเกิดเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่น แล้วถ้าเทียบกับคนที่ปฏิบัติละ่ะบางคนเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเวลามันเห็นความเกิดดับเกิดดับพอถึงจังหวะมันมันก็ทะลุไปถึงเหมือนกันนะว่าโอ้พบชาตมันมันยาวนานขนาดนี้เลยเหรอมันเข้าใจเออแปลกดีเหมือนกันนะไม่ได้ไปตามรู้่าตินัน้นเป็นนัน่นเป็น น, นั่นเป็น น, นั่ น, น, นอย่างมุตเจ้านะเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับ โอ้ยเราเวียนไหวตายเกิดมานี่กี่อาสงไขยแล้วกี่กลับกี่กันแล้วเนี่ยทาไมไม่เบื่อหนายสะกทีน่นมันก็เข้าใจเพราะอันนี้มันก็เป็นทางของบูตเจ้าของเราสาวกเราจะเป็นเหมือนผู้เจ้าก็ไม่ได้มาชิมยามเห็นสัตว์เกิดตายเกิดตายเกิดตายอ่ะเราเห็นเกิดดับเกิดดับก็เหมือนเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายอ่ะ บางจะว่าเห็นร่างกายกับจิตคนละส่วนเนี่ยเฮ้ยมันของเกิดของตายนี่นาบางทีมันเจ็บโอ้ยก้อนทุกเห็นจิตมันว่าขึ้นมาได้ด้วยก้อนทุกจิตเป็นอันหนึ่งร่างกายมันทุกอยู่เห็นชัดเจนเลยเพราะของตายก็ชัดขึ้นมาเลยไม่มีอะไรเป็นเราเลยอะมันอยู่เข้ามันอย่างนั้นเองก็เห็นตามอย่างนั้นแหละมันลงให้ธรร ม, ม, มะของพุทเจ้าหมดเลยอรัเป็นอย่างนั้นเอง เป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกมันก็เป็นอย่างของมันเป็นน่ะทีนี้จิตเราไม่ยึดมันก็เห็นตามไปสิมันก็ต้องปล่อยวางหมดขณะเห็นกายมันเห็นจิตด้วยเห็นตัวที่ไปยึดเนี่ยเออไมปยึดได้ยังไงไปหลงได้ยังไงก็วางไปด้วยกันวางไปด้วยกันเหนือยสสีที่แรกมัเห็นทีละอย่างก่อนพออะไรอินทรีย์มันยังไม่แก่กราบทุกข์ให้กำหนดรู้ก็เห็นมันไม่ใช่ของเราเห็นมันเกิดดับนี่แหละคือทุกข์ รวมทั้งทุกบีบคั้นด้วยเจ็บปวดก็เป็นทุกแต่มันทุกบีบคั้นโครคภัยไข้เจ็บก็ทุกบีบคั้นเจ็บใจไม่ได้ดังใจทุกใจก็บีบคั้นที่ไม่บีบคั้นจิตเป็นอุเบกขาอยู่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับนี่ทุกขคือสภาวะเกิดดับไม่มีตัวตนนี่คำว่าทุกคือไม่มีตัวตนที่นี่ว่างเปล่าไม่มีตัวตนเหตุแห่งทุกเกิดไม่ได้ช่วงที่มันเห็นเกิดดับเพราะฉะนั้นอัญญาโกนอัญญาท่านนึงสรุปไง สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดามันต้องเห็นเหมือนกันหมดเห็นมากเห็นน้อยอีกเรื่องหนึง่งแต่มันต้องชัดในจิตของผู้เห็นนั้นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแน่นอนอย่างพระโสดาบันเห็นทางถ้าเราปฏิบัติล้วมีโอกาสไหมล่ะถ้าเดินผูกทางพระเจ้ามันต้องมีโอกาสสิจเจริญสติเข้าไปสติคุ้มจิตได้เป็นสมาธิฝึกต่อไปมีสติมีสัมปชัญญะขึ้นมา เปกต่อไปมันเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อไปมันรู้มากขึ้นเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็ปล่อยปล่อยปล่อยมันสมบูรณ์ขึ้นมามันก็ตัดสินของมันได้จิตเนี่ยด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคมันก็เลยไม่สงสัยธรรมะของโมตเจ้าแต่มันต้องจริงจังมาวัดก็เอาจริงเอาจังสักหน่อยหนึ่งเพรกลับไปก็เราปฏิบัติมามากแล้วว่ะไปวัดตั้งสามสี่วัน ก็ให้มันสบายๆ บ, บ้างมัดชิมมาปฏิปทาแล้วก็อยากได้มักใบฝนได้ฝนแทนเวลานั่งมันยังหลับอีกต่างหากด้วยบอกแล้วข้าวพระเจ้าเป็นสาโกของมูตเจ้าศาสดาของข้าวพระเจ้าเข้มแข็งเด็ดเดียวอาถารมุ่ง ม, มั่นบากบันจริงจังไม่มีคำ ว, ว่าอ่อนแอ ไม่มีคามําว่าหยอท้อในเมื่อเราเป็นสาวกเราขอเดินตามพระองค์ฝึกจิตเราให้มันเข้มแข็งเราต่อไปให้ตั้งใจปฏิบัติไปนะเราเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมตัวเนี่ยก่อนจะเลิกเนี่ยต้องทําจิตให้ตื่นขึ้นมาซะก่อนตื่นตัวรู้สึกตัว รู้สึกตัวแล้วก็เอาจิตเข้ามามองดูตัวเองมามองดูขันธ์มามองดูกายมองดูจิตนี่เรามามองดูตัวเองทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราเองนี่ปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้รู้เรื่องของตัวเองว่าเราเป็นอะไรกันเนี่ยเนี่ยที่เป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ย มันคืออะไรแน่เอาให้มันชัดเจนชัดเจนคือยังไงพอมองเข้ามาแล้วตรวจสอบดูอย่างละเอียดร่างกายอันนี้ตายของตายชัดๆตายแล้วเผาไฟไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่เท่าฐานไม่เหลือไม่เหลือแล้วจิตเรายึดไหม ย, ยึดไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ ให้นิยามเอาไว้ว่าร่างกายหลายๆรูปหลายๆรูปมารวมกันคำว่ารูปก็คือสิ่งที่ต้องแตกดับสลายไปความหมายมันคือเป็นของแตกสลายของแตกดับสลายของตายก็ใช่ของไม่มีตัวมีตนก็ใช่เพราะสุดท้ายมันไม่มีจริงๆแล้วจิตและ ว, ว่ายังไงอ่ะเอาจิตมองดูกายได้ไหมมองดูร่างกายเนี่ย ที่มันนั่งอยู่นี่มันเชื่อไหมว่าสุดท้ายต้องตายต้องไม่ใช่ของเราแน่นอนถ้ามันเชื่อจิตกับกายต้องแยกกันได้จิตต้องเห็นว่าร่างกายอยู่เฉยๆอยู่ของมันอย่างนั้นเองหรือจิตก็ต้องอยู่กับจิตไม่ไปยุ่งกับร่างกายเวทนามีไหมเวทนามันเพิ่งเกิดเกิดตอนเรานั่งนี่นั่งนานๆนนขึน้นก็เจ็บก็ปวดถ้าเราขยับนิดเดียวก็หายแล้ว ถ้าเราอยากได้ประโยชน์จากมันเราก็โอดทนดูมันจิตเราเข้มแข็งขึ้นมาจิตเรามีกำลังมันจะแยกออกมาจากเวทนามันจึงจะเห็นว่าเวทนาอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นจิตกับเวทนาก็ไม่ใช่เดียวกันแล้วจิตเราเห็นไหมเห็นแล้วเข้าใจไหมจิตจิตมีอะไรบ้างสัญญาสังขารวิญญาณและก็เวทนาทางจิต นี่ฝ่ายจิตเป็นนามธรรมแล้วตัวไหนมันเด่นขึ้นมาล่ะตัวไหนมันโผล่หน้าโผล่ตาขึ้นมาเห็นหรือมันดูจิตถ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะเป็นจิตแต่เวลามันออกไปรั่วลมเป็นวิญญาณรั่วลมทางตาก็จะครูวิญญาณรั่วลมทางหูโสตวิญญาณถ้ามันอยู่เฉยๆมันจะเป็นจิตถ้าไปดูเราเห็นมังกรไปดูขอ้นมาเนี่ยมันออก เกิดดับเกิดดับเกิดดับสุดท้ายก็สรุปว่ามันคือจิตมันจริงเห็นอาการเกิดดับของจิตแต่เวลาออกไปทำหน้าที่เรียววิญญาณเหมือนบางคนเขาอยู่บ้านเขาเป็นพ่อบ้านเป็นสามีเป็นพ่อของลูกเวลาเขาไปทำงานหือว่าเขาไปตำรวจนายพลนายพันว่าไปไปทำหน้าที่สเสมียนเขาเรียกสมียนไปทําที่ทานายเขาเรียกทานายอายการ กลับมาบ้านพ่อพ่ อ, อเป็นพ่อของลูกเป็นพี่เจอน้องก็เป็นพี่ของน้องจิตเวลาไปรั้วลมก็คือวิญญาณไปรู้ทางตาจากักรวิญญาณไปรู้ทางมุสตาวิญญาณรู้ทางจมูกคานาวิญญาณมันก็เป็นวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณไปรั้วลมที่กระทบจิตมโนวิญญาณอยู่เฉยๆรู้ว่าจิตนิ่ง ดูว่าจิตเฉยหรือว่าจิตอุเบกขาหรือถ้าไครจิตมันละเอียดมันวางอะไรทุกอย่างแล้วเหมือนจิตอยู่นิ่งๆอยู่อิสระอยู่ภายในเหมือนมันจ่อเข้าไปมันยังมีผู้ดูกับสิ่งถูกดูเหมือนจิตหนึ่งเป็นสิ่งถูกดูแต่ถ้าจิตมันเร็วขึ้นมันจะเห็นว่าสิ่งถูกดูนั้นที่เราคิดว่าเป็นจิตนะ่ะมันเป็นจิตจริงไหมบางทีมันจอดูเวทนาก็ได้ บางทีเป็นจิตถ้าจิตนี่มันต้องมีอาการของจิตมันยินดียินไายมีไหมคือจิตเนี่ยเวลามันจะมีจิตจริงๆมันขึ้นมาทำงานเฉยๆทำงานแล้วก็ดับเพราะนันการที่เรารู้สึกว่าเราดูจิตมันเป็นจิตจริงหรือเปล่าหรือเราไปจอดูเวทนาหรือจอดูกายพอจิตจริงๆตอนนี้มันคือผู้รู้จิตที่มีปัญญาปัญญาเข้ามาประกอบมันจะเป็นผู้รู้ขึ้นมา แล้วผู้รู้นี่มันจะมีกำลังมันก็เลยมีผู้รู้อยู่ตลอดผู้รู้ก็เป็นผลจากการปฏิบัติของเราอรยาิยมรรคมันมีกำลังมันก็ทำให้จิตเนี่ยมันเหมือนมันมีตาตาปัญญาเกิดขึ้นเห็นความจริงของขันห้าได้เห็นการทำงานของขันห้าอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาพ่าเราดูจิตเราดูยังไง แล้วถ้ามันเห็นจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าจิตก็คือธรรมชาติอันหนึง่งมันจะไม่รู้สึกเลยว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเนี่ยมันถึงจะทะลุ ถ, ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆนะไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าความรู้สึกว่าเป็นเราดับไปหมดเลยเพราะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่เป็นธรรมชาติมองดูจิตก็ว่างเปล่าเลยเห็นแต่ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆแต่รู้อยู่ แต่มองหาจิตจะไม่เจอเจอแต่ความว่างเขาเรียกว่าจิตว่างแล้วจะไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้เลยไม่มีอะไรปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นก็เฉยๆไม่มีผลต่อจิตรู้อะไรแล้วรู้แล้วก็เฉยแต่บางทีเราทำนูน่นทำนี่กำลังก็อ่อนลงไปความชัดเจนดูจิตชัดเจนก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็รู้แต่ว่า จิตเราไม่มีอะไรปรุงแต่งเพราะฉนั้นจะมีสมาธิไม่มีสมาธิไม่ได้สนใจแต่ถ้าต้องการกําลังต้องเข้าสมาธิต้องการให้จิตมีคุณภาพต้องเข้าสมาธิเพราะสมาธิมันเป็นกําลังใช้กําลังของจิตใช้จิตทํำนูน่นทํานี้เพราะนั้นหลงก็อยู่ที่จิตเรามาปฏิบัติก็เพื่อให้จิตมันหายหลง จิตต้องอบรมจิตจิตที่มีปัญญาอบรมจิตที่โง่ที่หลงให้จิตนี้มันฉลาดขึ้นมานี่แหละ ว, วิธีของพระพุทธเจ้าใครจะรู้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าศาสดาองค์ไหนๆไม่มีทางที่จะรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติตามพระองค์ก็จะรู้เหมือนกันแต่รู้เพราะ เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติตามไม่ใช่รู้พอคิดเอาเพราะเราไม่ต้องไปคิดมากปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรื่อยไปพระเจ้าสอนอยังไงตามไปมันจึงขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเชื่อแล้วได้ปฏิบัติตามจริงจังไหมถ้าจริงจังผลก็เกิดขึ้นจริงจัง